เรื่องมาทะสนิมในใจหมายเลขส5บห้าเรื่องเมานี้แปลกมีคนอยู่สองพวกพวกหนึ่งคิดว่าตนไม่ใช่คนเมาเพราะเหล้าก็ไม่ได้กินฟินก็ไม่ได้สูบแล้วก็พากันพยายามคอนว่าคนสูบฟินคนกินเหล้าว่าคนขี้เหล้าคนขี้ยาอีกพวกหนึ่งเมาเสร็จแล้ว ยังทำเสียงแข็งปลอบใจตัวเองว่าข้านี่แหละ ว, วะไอ้คนขี้เมาแล้วก็ท้าส่งว่าถึงข้าจะเมามันก็เป็นเรื่องของข้าไม่เห็นมันหนักอะไรใครแต่ว่าท่านผู้ใดจะนึกถึงอย่างไรก็ช่างอุปกิเล่ลำดับส5้านี้ว่าด้วยเรื่องเมาแน่เลี่ยงไม่พ้น ฉะนั้นขอให้เราทำใจกว้างๆมาคุยเรื่องเมากันดูสักพักจะได้รู้ดำรู้แดงกันเสียทีว่าระหว่างคนกินเหล้ากับคนไม่กินเหล้าใครจะเมามากกว่ากันอุปกิเลสสนิมในใจหมายเลข15คือมัทะแปลว่าเมาตรงตัวเลยแต่พอได้ยินคำว่าเมาท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งคิดว่า อ๋อรู้แล้วขอโทษเถอะบางทีอาการที่ท่านรู้นั้นอาจไม่ใช่ความเมาแล้วอาการที่เป็นความเมาจริงๆท่านอาจยังไม่รู้ก็อาจเป็นได้มันมีอะไรชอบกลอยู่เหมือนกันในเรื่องนี้เขาว่าคนไม่เมากับคนเมาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องคนเมาก็บ่นว่าคนไม่เมาพูดไม่รู้เรื่อง ฝ่ายคนไม่เมาก็บ่นว่าคนเมาพูดไม่รู้เรื่องแต่ถ้าต่างคนต่างเมาเกิดคุยกันได้เรื่องได้ราวเขาว่าอย่างนี้ที่เราจะพูดจะฟังเรื่องเมากันคราวนี้ก็น่าจะต้องใช้ทฤษฎีคนเมานั้นด้วยคือเมื่อข้าพเจ้าเกิดจะเมากับเรื่องเมาผู้สับสนวนเวียนท่านผู้อ่านก็เมาไปกับข้าพเจ้าด้วยเสียก็แล้วกัน จะได้ไม่มานั่งตำหนิกันว่าพูดไม่รู้เรื่องอย่างที่ว่านั้นก่อนอื่นให้แยกความเมาสิก่อนคนเรามีของที่จะเมาอยู่คนละสองอย่างคือกายกับใจร่างกายของคนเราประกอบด้วยประสาท ต, ต่างๆเต็มตัวประสาทเหล่านี้ควบคุมระบบความรู้สึกของร่างกายให้เป็นไปตามปกติถตาร่างกายถูกเขยา่าถูกโยกถูกหมุน ถูกทำให้ขยอกขย่อนหรือถูกสิ่งมีพิษสังหารประสาทจะเกิดความงุนงงและไม่อาจบังคับระบบความรู้สึกได้ตามปกติให้มีอาการคลื่นเหียนวิงเวียนโยกโครงโซเซซึ่งเรียกว่าเมาท่านผู้อ่านก็คงจะเคยเป็นหรือเคยเห็นอย่างเช่นคนเมารถเมาเรือ เมาคลื่นเมาแดดเมาหมากเมายาเมากัญชาเมาเหล้าและอื่นอีกเมาเหล่านี้เป็นการเมาถังร่างกายเพราะร่างกายถูกกระทบทนไม่ไหวก็เลยเมาเมาอีกอย่างเมาทางใจร่างกายไม่ได้กระทบอะไรหรอกแต่ใจมันถูกกระทบมันก็เลยเมาของมันต่างหาก ท่านคงจะจำกวีนิพนธ์ของท่านกวีเอกของไทยบทนี้ได้ไม่เมาเหล้าแล้วเรายัางเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดฉะไหนอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจประจำทุกค่ำคืนข้าพเจ้าชอบกวีนิพนธ์บทนี้มากเฉพาะอย่างยิ่งรู้สึกเลื่อมใสกับผู้ประพันธ์ ที่ท่านแยกเอาอาการเมาเหล้าไว้ต่างหากเอาเมาใจไว้ต่างหากท่านผู้ประพันธ์จะมุ่งแสดงรถของเรื่องไปในแง่ใดก็ตามแต่การแยกชนิดนี้เกิดมาตรงกับความหมายทางธรรมะอย่างเหมาะเจาะทีเดียวเมาใจนี่แหละคืออาการของมัทะซึ่งเป็นอุปกิเล ข, ข้อ15นี้เอาเข้าแล้วมาถึงตรงนี้ ข้าพเจ้าชักจะเริ่มเมาแล้วสิจะต้องพูดซ้ำๆซักๆ ส, กสิแล้วเพราะตามธรรมดาของคนเมามันต้องอย่างนั้นกิริยาวาจาสำเร็จด้วยตัวซอโซ่เหมือนกันทั้งนั้นพูดก็ซ้ำๆซากๆลุกขึ้นก็โซการบรรยายเรื่องเมาก็เข้าแบบนี้เหมือนกันต้องซ้ำๆซักๆ แต่ถ้าท่านผู้อ่านเมาให้มันพอๆกับผู้เขียนเสร็จแล้วก็อ่านรู้เรื่องเองถ้าใครไม่เมาแล้วอ่านไม่รู้เรื่องก็จนใจช่วยไม่ได้คืออุปกิเลส ข, ข้อมาทะนี้แปลแล้วว่าได้แก่ความเมาอธิบายไว้แล้วด้วยว่าหมายถึงเมาใจทีนี้มีปัญหาถามว่าคนเมาเหล้าถึงกับโกงคออาเจียนโอกโอกกอยู่นั่น เราจะถือว่าเขาเป็นคนมีมะัธะหรือเปล่าต้องตอบว่าไม่แน่คนกินเหล้าเมาจนฟุบสิ้นสติแล้วก็ไม่แน่นักว่าจะมีกิเลส ข, ข้อมัธะอยู่ในใจหรือไม่อย่าลืมว่าการเมามีสองอย่างคือเมากายกับเมาใจการเมาเหล้านั้นนะ่ะมันเรื่องของเมากายคือประสาททางกายมันทนต่อพิษเหล้าไม่ไหว มันก็เลยเมาแต่ใจจริงของเขาอาจไม่ได้เมาเหล้าเพียงแต่กินเป็นครั้งคราวหรือเฉพาะดื่มกับเขาบางคราวนั่นเองแล้วก็เลยเมาหายเมาแล้วอาจเข็ดหลาไม่กินเหล้าอีกแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ใจก็ยังไม่เมาแล้วอย่างไรจึงจะว่าใจเมาที่ว่าใจเมาจะต้องหมายถึงว่าคนที่มัวเมากับการดื่มเหล้า เห็นเป็นดีเป็นชอบกับการกินการดื่มชเช้าเฮเย็นหาไม่เป็นอันคิดอ่านธรรมหากินถ้าใจเป็นอย่างนี้เรียกว่าใจเมาในการดื่มเหล้ามันเมาอยู่เรื่อยแหละยังไม่ได้ดื่มมันก็เมาคือหมายถึงอาการที่จิตติดพันอ้อยอิงอยู่กับการดื่มใจเป็นอย่างนี้เรียกว่าใจเมาหรือเมาใจ เป็นลักษณะของมัทะตกลงว่าปัญหาของคนเมาเหล้าเราต้องแยกอย่างนี้ตัวคนเมาที่เราเห็นฟุบสิ้นสติอยู่นั้นเราเห็นอาการเมาทางกายของเขาไม่แน่ว่าเขาจะมีมัทะหรือไม่อาจพึ่งริดื่มก็ได้ถ้าใจเขาติดพันพวักพรวนกับการดื่มจึงจะเป็นมัทะเมาใจ อาการเมาใจนี้ยังมีอีกมากมายแล้วแต่ว่าใจมันจะเมากับสิ่งใดของนั้นอาจไม่ใช่ของเมาแต่ใจมันเกิดเมาขึ้นก็ได้โปรดตรองดูเมาอย่างเด็กๆก็มีเมาเที่ยวเมาหนังสติ๊กเมาหยอดหลุมเมาทอยกองเมาหนังสืออ่านเล่นเมาหนังสือการ์ตูนเมาเว้าเมาจิ่งรีด เมาหมาเก็บและอื่นๆอีกเมาอย่างพวกหนุ่มๆสาวๆก็มีเมาหนังเมาเพื่อนเมาแต่งตัวเมาเที่ยวเมาคู่รักเมาน้าตกเมาชายทะเลเมาทัศนาจรเมากินเลี้ยงเมารำวงและอื่นๆอีกเมาอย่างผู้ใหญ่ยิ่งหนักหนาเป็นต้นว่าเมาบ้านเล็ก เมาลูกเขยเมาสะพ้ยเมาหมักรุกเมาสโมสรเมาบิลเลียดเมาไพ่เมาม้าเมายศเมาอำนาจเมาพักเมาคำยอเมาหลวงพ่อเมาพระเครื่องเมาหมอดูเมาลอตเตอรี่เมาสลากินรวบเมากล้วยไม้เมากุหลาบเมาทัศนาจรเมืองนอก เมาให้สัมภาษณ์เมาไฮปาร์คเมากระทุ้ความและเมาอะไรอะไรอีกแยะตลอดจนเมาแต่งหนังสือด้วยเมาอย่างคนแก่ส่วนมากเป็นเรื่องเมาสมบัติเมาหลานหลานแล้วก็เมาบ่นนี่แหละท่านเรื่องของมัทะความเมาใจท่านเห็นต่างกันไหมกับการเมาเล่าที่ว่ามาแล้ว อาการของใจที่เมากเลตข้อนี้คือความติดพันเกาะเกี่ยวเพลิดเพลินพิสวง ง, ง, งวยถอนใจออกไม่ได้เป็นคนละเรื่องกับการเมาทางกายถ้าจะสรุปอาการเมากายกับเมาใจลงไว้จำกันอย่างง่ายๆก็ได้ว่าเมากายมีลักษณะเหมืนเมาเมาใจมีลักษณะมัวเมาเมากายนั้นเมาแล้วเหมึอน คืประสาทมึนชาหรือมึนงงไปเรียกตามลักษณะว่ามึนเมาส่วนเมาใจนี้เมาเข้าแล้วใจมืดมัวสลัวเลือนลางมองไม่เห็นทางเสียหายใจอย่างนี้เรียกว่าใจมัวเมื่อเรียกอาการเมาเราเลยเรียกว่ามัวเมาตอนโทษของมาทะ มีคนอยู่ไม่น้อยเลยที่คิดหาความสุขจากการเมาเมาแล้วเพลินแล้วก็ยึดเอาความเพลินนั้นเป็นความสุขก็มีส่วนถูกอยู่เหมือนกันทําอะไรเพลินแล้วมันสบายใจทุ่นแรงแต่ว่าเพลินขนาดมัทะนี้มันเพลินจนเสียเลยเขตของความสุขธรรมดาปืนผ่าหน้าไม้ที่ดีต้องยิงได้แม่น คือลูกกระสุนหรือลูกธนูพุ่งไปถูกเป้าที่หมายจึงจะดีแท้ถ้าเล็งเท่าไหร่เท่าไหร่เบนฉลับออกนอกเป้าทุกทีเป็นใช้ไม่ได้เรื่องเป้าหมายสำคัญมากรถเรือก็เหมือนกันเมื่อเราเล็งที่หมายไว้แล้วก็ให้สามารถขับคั่วไปให้ถูกที่หมายจอดได้ตรงที่จะจอด ไปได้ตรงที่จะไปจึงจะเป็นรถดีเรือดีไม่ใช่เป้าหมายอยู่บางแสนแต่แลไปจอดอยู่โรงพยาบาลหรือป่าช้าหลังวัดไม่ใช่อย่างนั้นการบริหารชีวิตของเราและการบริหารงานของส่วนรวมก็เหมือนกันมันมีจุดหมายมีเป้าเล็งตื่นเช้าล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวไปทำงาน กลับบ้านคุยกับลูกกับเมียถ้าเป็นเด็กก็ไปโรงเรียนแล้วกลับมาทําการบ้านอ่านหนังสืออย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเป้าหมายหรือจุดหมายในวันหนึ่งวันหนึ่งเราออกจากห้องนอนแล้วก็เหมือนกับลูกกระสุนหรือลูกธนูพุ่งออกจากแกล้งนั่นเองต้องควบคุมตัวเองให้ถูกเป้าหมายปั๊บได้ปั๊บได้อย่างนี้จึงจะดีแท้ ทีนี้กิเลสข้อมาทะนี้เมื่ออยู่ในใจของใครแล้วมันทำให้ผู้นั้นฉลบออกนอกเป้าเหมือนอาการคนมืนเมานั่นแหละเซซ้ายเ ซ, ยซยขวาไปตามเรื่องคนที่เล็งจุดหมายไว้ที่การเรียนพอเกิดมาทะตัวก็ฉลบหนีการเรียนไปป้วนเปี้ยนอยู่นอกทางกับพวกผู้หญิงบ้างกับโรงหนังโรงละครบ้าง เพื่อนฝูงที่เกโรงเรียนบ้างคนที่เล็งเป้าหมายไว้กับงานพอใจเกิดมาททากขึ้นก็ทิ้งงานเฉลับไปทางอื่นทําตัวเป็นเจ้ากี้เจ้าการกับสิ่งนอกเรื่องคนที่เล็งเป้าหมายไว้ที่การตั้งเนื้อตั้งตัวพอใจเกิดการเมาการพนันก็ทลาออกนอกเป้าแทนที่จะหาเงินมาเก็บกลายเป็นหาเงินมาส่งเจ้ามือการพนัน คนที่เลงเป้าหมายว่าจะบำเพ็ญตัวเป็นที่พึ่งของประชาชนอุตสาหันอาสามาเป็นผู้แทนบ้างเป็นรัฐมนตรีบ้างพอมาเมาลาบเมายศเข้าเป้าที่หมายก็เป็นไม่ไปตัวอย่างมีเยอะแยะนี่แหละโทษของมาทะเมาใจซึ่งรวมความลงง่ายๆว่ามันทำให้เราไปไม่ถึงที่หมายแฉลบออกนอกเป้า ตอนแก้เมาอันเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปถูกแล้วอาการมึนเมาทางกายสั่งได้ง่ายกินยาถอนเสียก็หายบางคนกินอะไรเปรี้ยวๆหรือของร้อนๆก็หายไปแต่บางทีก็ไม่ต้องถอนเสียด้วยซ้ำมันเมาก็นอนหลับเสียตื่นขึ้นมาก็หายเมานั่นเมากาย แต่เมาใจนี้ประจำอยู่ทุกคืนเมาใจแก้ยากถอนยากตามธรรมดาแล้วคนที่จะช่วยตัวเองได้ใจต้องเป็นปกติดีอยู่ถึงร่างกายเมาเต็มที่แต่ถ้าใจยังเป็นปกติก็พอคิดหาทางแก้ไขทีนี้ถ้าใจเกิดเมาเสียเองแล้วเราจะเอาอะไรมาคิดช่วยตัวเอง ดูเป็นเรื่องลำบากมากลำบากจริงๆแม้จะให้คนอื่นตักเตือนก็พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องยกตัวอย่างเช่นคราวที่คนภาคอีสานเมาสลากินรวบข้าพเจ้าอยู่กรุงเทพมีคนมาเล่าให้ฟังว่าคนที่เมาสลากินรวบแล้วใครจะตักเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อถึงกับขายบ้านเรือนวัวควายเล่นสลากินรวบหมด เขาว่าอย่างนี้ที่แรกข้าพเจ้าไม่สู้จะเชื่อนักสงสัยว่าผู้ตักเตือนอาจให้เหตุผลไม่ดีพอกระมังแต่ครั้นได้เดินทางไปตระเวณสังเกตการด้วยตนเองแล้วรู้สึกจนปัญญาเหมือนกันที่จะพูดกับคนที่กำลังเมาเหล่านั้นให้เข้าใจพูดก็ไม่ได้ผลเราพูดไปสิบคำเขาก็ย้อนเอาสิบคำเช่น ระบอกว่าการพนันทําให้ชิบหายเขาก็ย้อนว่าคนนั้นคนนี้ได้งวดนั้นงวดนี้ตั้งส0 5 0มื0นเราแนะว่าการพนันประเภทนี้เจ้ามือได้เปรียบเขาก็ย้อนว่าเขาใช้เลขท้ายลอตเตอรี่รัฐบาลยุทธธรรมที่สุดความก็คือพูดกันไม่รู้เรื่องครั้นกลับกรุงเทพแล้ว ข้าพเจ้าไปนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติดโสอ้วนวัดบรมนิวาไปเรียนหารือท่านว่าจะมีการแก้ไขอย่างไรพวกเมาสละกินรวบจึงจะรู้สึกตัวที่ไปเรียนหารือท่านก็เพราะท่านเป็นพระมหาเถรรัแห่งภาคอีสานและรู้ใจคนภาคอีสานดีที่สุดแต่แล้วแทนที่ท่านจะแนะวิธีการอะไรให้ ท่านกลับปราลบับข้าพเจ้าว่าการรู้เรื่องนี้สงสารก็สงสารแต่คนมันเมาเต็มที่แล้วป่วยการสอนเหมือนคราวเมาผีบ้านผีบุญนั่นแหละใครไม่เมาไปกับเขาเขาก็หาว่าบ้าเรื่องสลากินรวมนี้ก็เหมือนกันปล่อยให้เล่นจนหมดตัวก็จะรู้สึกเองนี่เล่าให้ฟังว่า ถ้าปล่อยให้ใจเมาเต็มที่แล้วแก้ยากนอนหลับแล้วยังเมาฝันต่อไปอีกในภาคกลางนี่ก็มีเยอะแยะไปพระบางองค์เมาหมากรุกเสียจนลืมวันลืมคืนทิ้งกิจวัตรสวดมนต์ภาวนาก็เคยเห็นฉะนั้นทางที่ดีที่สุดอย่าปล่อยให้ใจเมาวิธีป้องกันนั้นให้นึกถึงงานอันเป็นหน้าที่ของตนไว้เสมอ อย่าให้ใจลอยก็จะป้องกันอาการเมาใจได้